พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่32โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10สิงหาคม2555มีชื่อเรื่องว่าพุทธประวัติภาษาอีสาน เอ็มพี่สามของหลงพอ่อเนี่อัดมาจากบทิษศตนป่าปุณณเนีราคาจากกรุงเทพปุณณ์ น, นะควรที่อัดมาได้อัดมาอย่างดีแล้วเอาไปทิ้งทิ้งก ว, ว้างกวงกะนาดเสียดายขึ้นกันคานว่าเอาไปฟังเลยก็บว่ากันเพราะอยากจะให้ผู้เข้าพวกเข้าศึกษาฟังอยู่แล้วการพวกเข้าที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้เงียนในฟังปุ๊บปับ๊บสิลฉลาดขึ้นมาได้ที่หูขึ้นมาเลยเนี่ยมันเป็นไปบัวได้เป็นไปได้ยาก แต่บางเสียงบางอย่งอานนงอ่นอานหนังสือกับเมนโยอ่านหนังสือกับปกคือคือคูบาลจานว่วยฟังคันคูบาลจานว่วยฟังดิมันชัดเจนกวา่าอย่างเขาอ่านหนังสือที่ตรงตาเพิ่นเขียนนั่นแหะกับไปฟังค่ำต่อหนาเพิ่นฟังนี่ยมันมีรสชาติกว่ากันเลยเฮามันมีรสชาติในการฟังต่อหนาเพิ่นเพิ่นอธิบายให้ฟังเนี่ยฤษีว่ามีน้ำหนักเฮากดเฮ่างทีหนักเสียงหน่นหนัก เป็นบางค่ำกระทั่งไมเห่าเข่าใจได้ง่ายเพราะนั้นพวกเห่าไปอยูอยนักสถานที่ใดก็ตามก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังการตั้งใจฟังการตั้งใจศึกษาเนี่ยนะจะเกิดประโยชน์อย่างรักถ้ำค่ำสอนของพระพุทธเจ้าพนว่ะอานิสงส์แห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสอันนี้แหละอันนี้สงแหงการฟังธรรมนี่เฮาบุคคลใดยินงในฟังเฮาก็จะได้ยินงในฟังจากครูบาอาจารย์สิ่งที่บุคคลใดยินงในฟังเขาจะได้รู้แต่สิ่งไหนที่เคยได้ยินงในฟังแล้วบ่าเข้าใจในยิ่งครูบาอาจารย์องค์นั้นฟังแล้วว่าเข้าใจก็จะได้ ฟังเข้าใจขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยให้ใจของเฮาลงได้ทําจิตใจความเห็นให้ถูกต้องได้อนัฟังท่ำมะทําคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นศีลเป็นร่ำเป็นอัดเป็นทรมจิตใจของเฮาก็ได้รับความพองใสนี่แหละอานิสงสแห่งการฟั่งท่ำผู้ฟั่งท่ำในลักเป็นบาลีขึ้นมาอีกสุดตามมยยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง ควเห่าบอได้ยินได้ฟังจะเกิดปัญญานะี่ยยากอยู่เดต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังนะสุดตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ดีินได้ฟังนั้นแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเหตจิตใจให้เป็นหนึ่ง แล้วก็เมื่อนัจ่จิตใจเป็นหนึ่งจิตใจสงบผ่านการสงบมาแล้วพิจารณาอีกอย่างกับเป็นชินเป็นอันเป็นเรื่องเป็นเล่าชัดเจนในการที่ได้พิจารณาเรื่องนั้นๆภาวนามยปัญญาในภาวนามยปัญญาเนี่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยมากทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยมีอยู่สองคือสุดตามยปัญญากับจินตามยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญาเนี่ย เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาคือทำจิตใจให้สงบสะกอนจิตใจนิ่งที่ใจเป็นหนึ่งเลือกินนัมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ว่าภาวนามย์ปัญญาเพราะนั้นพวกเข้าตรงสรุปเลยก็คือต้องอาศัยการในเง้ยนในฟั่งเมื่อได้ยินได้ฟังงฟ่งแล้วกินนัมาประพฤติธปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติศึกษาทำขําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นสอนจังได๋บาทนี่ที่เป็นแนวทางสำหรับเข้าพระพุทธเจ้า เพิได้ตั้งสุขจังไดต้นตระกูลของพระพุทธเจ้าน่ยคือจังไดพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินข้องกรุงกบิลพัดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุค25งพหบสี่ปีให้หลังเพิ่นเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินสือพระเจ้าจุตโธทนะแม่ของเพิ่นสิริมหามายาเพิ่นเมื่อประสูตรได้เจ็ดมือแม่เพิ่นกะสวรรคตคือตาย แม่พันตายอายุเพิ่งได้เจ็ดเจ็ดหมื่นนะจากนั้นพระเจ้าจุตโธธนาได้หาแม่ไม่แต่งงานกับน่องเสาวน่องเสาวเมียคือนางโคตมีเพื่อมาบ้านดูแลหลานก็นว่าได้ดูลูกพี่สาวฮะจากนั้นพระเจ้าสุตโธธนาก็ดูแลประครบประงมสิทธิ์ท้ลูกชายของเพิลนเนี่ยเพราะว่าเมื่อประสูตรได้เจ็ดมื่นเลย พวกพร่ามโหราศาสตร์ทั้งหลายได้มาทําน้าท้ายทักว่าชิตทัตพผู้นีน่นะกลุ่ ม, ม่านผู้นีน่ะนะขันหัว่าคลองราดจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในแผ่นดินบ่มีพดธีใหญ่ยิ่งกว่าเพราะบุญบารมีบุญ น, นักซักใหญ่ดูงวงแห่งแล้วเ อ, อดูปริศาลักษณะเดวเลิอดทั้งหมดเลิอกว่ามนุษย์ทั้งหลาย ว่าปกครองเนี่ยจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขั้นว่าออกบวชที่ได้เป็นต้นาศาสนาต้นาศาสนาเป็นที่าศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายพวกพ้ามเขาขะทำน่ายเป็นสองพ้ามทั้งมัดนี่แหละทําให้พระเจ้าจุโธโธทนาวันไหวไกวแกวงว่าเออเล่าเนี่ยอยากจะให้ลูกของเข้านี่ยเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพรอยากให้บวชขั้นพูดได้ว่า โอให้ลูกได้บวชเน่โอ้โม โ, โหร้ายคนนั้นไป อ, อยากจะให้บุญถูกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต่อมากเลยตูดแล่ลูกไส้ก็จะคล้องเนี่ยเหมือนกับไข่ในหินตะคบประโขมย่างดีเฮ้ยสืบไปทางใดนี่ยปลว่ามีเแล่นมีต้นกล้วยต้นอ้อยประดับตกแต่งเห็นแต่ของสวยของงามนะเพราะได้เห็นไม่เห็นของขีลายขีเลอคนนไปในบ้านในเมืองใ่้เห็นความเป็นจริงให้เห็นแต่ของประดับตกแต่งให้สวยงาม นี่แคือพระเจ้าจุดโทธนะดูแลพระเจ้าลูกของพระองค์ดูแลสิทธะพ่อต่อมา่าต่อมากันได้แต่งานเมื่ออายุสิบหปีก็ได้แต่งานครับนั่งพิมพ้ายโสทราลูกของพระเจ้าอาแม่ของนั่งพิมพ้ายโสทราเนี่ยเป็นน้องสาวพออยู่เมืองพิเทหะจากนั้นก็มาต่อมากันอายุยี่สิบปีนั่งพิมพ์ผ้ายโสทราก็คลอดลูกเป็นพระราหุน่น ได้ลูกเป็นชื่อลูกชายพระล่าหุน่นะนี่แหละตอนที่ได้ลูกพนะระเจ้าจุอโทษชนะก็ชราใจละบาดเออศิทธะคงจีจูกับปลูกกับเมียคงจะนั่นละมากมาี้มีลูกไม่เต้าละ่ะพระเจ้าจุอโทษนะเขาว่างประเทศไทยเออปวรักษาเข็มปวดขวดขันเหมือนตะกอนละบ่นไปจะไปใส่ที่เบิ้งไส่เพื่อจะเพื่อจะได้ดูแล ป, ประเทศชาติบ้านเมืองของเจ้าของตอนี้ศิทธเออะเพิ่งจะเฉด ไปอุทยานไปเห็นข้นแก่อันดับแปลกนะพ่อไปเห็นข้นแกแตะกอนบุกเคยเห็นเน๊ะพอมีแต่สแล่นกับต้นกล้วยต้นอ้อยมีประดับตกแตง่ง ม, ดมีดอกไม้ดอกไลสวยเซ็ตสวยงดงามมดไปทางใดไปเข้านี่เขาบอประดับตกแตง่งไปเห็นขนแกซักไม่เท่าผมเขาวแ ข, ว, ขวลน้นหลังคอมะพนก็นั่งนว ด, ดกับนายชนะถามว่าอันนี้คืออะไรนายชนะบอกว่าคนแกพระเจ้าข่านะเน๊ะ ทำไมมันจังแก่คนเฮาขันพ่อตายง่ายก่แก่จังสี่แล้วพระเจ้าค่ะเราจะแก่เหมือนกันเนี่ยแก่ทุกคนพระเจ้าค่ะเาถ้าแก่อย่างนี้จะหาความถุกได้ยังไงคนแก่อย่างนี้อผมก็ขาวหลังก็ข่อมฟันก็หลุดเนี่ยนะหน้าตาตาก็มัวอย่างเนี้ยมันแก่ไปหมดทุกอย่างจะหาความสุขได้ที่ไหนพ่อเห็นคนแก่านาดก็เกิดความสลดสังเวชใหญ่ย่างมาก อย่างแรกของเไปนี่แหละบารมีพันแกแล้ดได้ปันนี้ยพันกับกับมาเวียงว่งกับบ้าคิดอย่างเฮ็ดอย่างไรเข้าสิโบแกเข้าจะต้องแกแบบนั้นจะหาความสุขได้จังไรเนี่ยต่อมาพ่อหายนะไรกันกาบไปไปเห็นคนเจ็บปันนี้ยซักดิ้นสักง้อจูแต่แครนะเขาหามพานหนาพันไปอันนั้นคืออย่างคนเจ็บเลนเอาไปอย่างย่างเจ็บโอ้ทรามดาคนกูต้องมีเจ็บมีไข่ทุกคนอะ หลีก่นี้ บ, บ่ผลบ่จากทีแมนมือใดมือใดบม่มมือได้ก็มือหนึ่งแหะต้องเย็บต้องไข่เข้ากับทีเจ็บไข่ขึ้นทุกคนเหมือนพ้นพก็เกิดความสลดสังเวชใจกลาบมาอีกมานั่งคิดอีกทั้งแกอะไรเยังยหมแล้วเนี่ยเจ็บอีกว่ะนะพอต่อมาอีกพอหายไปเห็นคนตายบ้านะไปสะเสด็จไปก็ไปเห็นคนตายเข้าหามตกอกหย ก, กตกอกหยกแขกตายไปไม่บวได้ปิดได้บงังอย่างเด้ใส่ตะแค่ก็ไม่น่าหามไปหลดว่ะพ้นก็ เ, เห็นนีก อันนั้นไม่ยังคนตายาเป็นอย่างเขายังตายาทุกคนเกิดมาแล้วตายเพมีพลายเฉลีกยลี่นีพนธเรื่องความตายเพื่อนก็นเกิดความสรดสังเวชขึ้นมาอีกขึ้นกันเพิ่นก็นถามถึงหยาดย้งพ่งไพของผลปูยาตาถวดของผลก็ตายไปก่อนมัดโอ้คนนี้ตายอีหลีนะจากนั่นเปิดเกิดความสลดสังเวชเข้าจะ ม, มีความสุขจังไดเขาถึงจะ ม, มีความสุขเดี๋ยวนี้ก็ค่อยวั่นตายเท่านั้นเองอีกสักมือนึ่งเขาก็จะต้องตายอยู่แล้วนี่อันนี้แหละ เป็นความสรดสังเวชใจของสิท ธ, ธัะก่อนเพิ้นจีนหาช่องหาทางจากนั้นเพื่อก็สเสด็จไปอีกวันะไปเห็นสมณะคือหนักบวชนางอยู่เหงาตนใหม่อยู่โคนตนใหม่อนไปโยโฮมตนใหม่นางอยู่โคนตนใหม่เพิ่อก็เห็นเอ๊ะ อ, อันนี้คือสมณะสมณะคือหนักบวชกว็ ย, ยังพระนี่หรอหนันงคัดสมาธิอยู่องเดียวนั่งสำรวมนางอิงติง่งไงเออขันว่าเห่า ออกบวชนี่นะอยู่ตามล่ำพังนี่อยู่แบบนีนะ่อยู่แบบสมณะองค์นี่อยู่เนี่ยเฮาเนี่ยขี้มีความคิดความอ่านจะคิดเรื่องไอ้ยังขี้จะปลอดโปร่งใดคันว่าขืนยุทในเวียงในว่งแม่นจะไม่เรื่องไอ้ยังต้อไม่เหลืองยังเหลืองบริหารขอบครั้วเหลืองบริหารการบ้านการเมืองทํามากค่าค้ายเรื่องตํารวจเรื่องทหารปกครองประเทศชาติขูนเงินขุ้นขั่งคดีความมันหยุ่นเยิ้งวุ่นวายไปหมด เขาคงมีเวลาที่จะคิดหาช่องหาทางที่จว่าที่ว่าทีเหตุอย่างไรสิบวมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเนี่ยคือที่มีทางคณาว่าให้มานทางแบบสมณะองค์นี่นั่งคิดแบบนี้มีช่องทางไงนี่เราเพิ่นเห็นในแต่ว่าเห็นช่องทางเข้าต้องมาเหตุแบบนี้แหละหนีออกจากเวียงว่งไปอยู่ตามลําพังจึงจะได้ภาวนาได้จึงจะคนคิดได้ จากนั้นเพื่อนเสด็จมาตอนแรกมากระราบข่าวว่านั่งพิมพ์ผ้ายะโสทลอประสูตรล่าหุ่นผนก็นเกิดความสลดสังเวชใจขึ้นกันเมื่อเขาไปแจ้งข่าวว่าโอ้ตายล่าหุนเกิดล่าหุนะเครื่องผูกเกิดก็เป่าแล้วคนบัวล่านเขาจึงว่าลักลูกคือเสือกผูกข้อหักเมียคือปอผูกศอกหักเมียหักผัวคือคือกันกืปอผูกศอก หักสมบัติคือปอกใส้ขายักขาไว้กับทีกับลักนะไปบ่อไรอย่างผวกเข้ามากที่ะกลับมาสทีคือทอดบ้านคือทอดเทือนไปอยู่สักสองสามหมื่นนะครับโยบอะไรคือทอดบ้านนะคือปอกยักขาไว้กับสมบัติเฮ้ยหักลูกหักเมียคือกันเฮ้ยักผัวคือกันคือกันกับเสือกผูกศอกไผ่หลังยังไงนะเฮ้ยหักลูกก็คือเสือกผูกข้อไปไสก็อยู่นี่ข้อนี่อยู่ในหัวอกคือถึงลูกถึง เต่โดยเฉพาะยังหญิงลูกยังหน่อยกี จ, จ, จ, จูยังไรสิกินยังไดรสิละ่พะพอนั่นเพื่นว่าลาหูนะเครื่องผูกเกิดกับเราแล้วเพราะพระพุทธเจ้าสิทธะสิทธะโพธิสัตว์นะพลคือเต็งสันแต่บ่วไหลเราเข้าต้องหนีเพื่อนว่าจากนั้นเพื่อนก็เลยหาชงทางตัดสินใจพอหาชงทางมาหลายมือแล้วเด็กคิดแล้วคิดดีกคนละแบบบ้นก็กเลยบอกใหนะ้ชั้นนะเฮ้ยชั้นนะเตรียมมาคันตะเกาไปนะ เตียมพอมเดี๋ยวเราจะสั่งน่ายส น, นาข บ, บงหัวจักว่าพลศิษย์สั่งอย่างนี้เจ้าน่ายสั่งกะเตียมพอรอมเราไปหน่อยจัดมักเขียนมาไซด์ยางดีไสดอ่านอย่างดีพอรมพอรมเราไปพ้อมที่จะไปได้ทางไก่เลยแล้วมัน้ไปพนก็เป็นนักรบนักนันอยู่เด้เพราะพลเป็นพระเจ้าแผ่นดินจากนา้พ่อทิ้งเทียงขึ้นแล้วก็คนกับวันได้ล่าไผเลยแล้วมันกันล่าใครเขาก็จะแตกเติมบปก็จะมานอนขวางทางมา้าที่จะไปได้จังไดมันวัว่ะเขาจิบให้วทนไป จากนั่นเปิ้ลก็กขืนมากน่ายขันตะการก็ขืนไปนางซ้อนท้ายเลยก็ห่อตะบึงไรเงียลงไปแลนบักแข้งแลว้วลงไปจากกรุงกบินพัทพูน่ะไปหอดกรุงราดตะคือพุน่ะแมัระยะทางขุเ ม, มืออยู่ประมาณสองรอยกว่ากิโลเขาว่าะจากกรุงกบินพัทถึงแม่น้ําอโนมานาทีนะีคือไม่ไปถึงฟังแม่น้าอโนมานาที่พอไปหอดทางก็กจอดป่าเปิ้ลก็เลย บ, บวชประสรงพระหนวดวันไป ใส่พระแสงดาบตัดพระโมลีไอ้พันธุมีมีดโกนเลยใส่พระแสงดาบขึ้นดาบเขาสู้สงข้ามะนดาบมันคมเก็บเลยจับมวยผมขึ้นมาทถิงเถิงอะไรกัจับเอาดาบปาดเร็ไปตัดชชดชดชดชดอะไรปลดอะไรมันออกไปจากนั้นก็พันว่ามีผ่มมีเทวดานี่เอาจารย์มาล่องรับพระเกศาพระโมลีของพระพุทธเจ้า จากนั้นเพิ่งก็หมอบพระแสงดาบหมอบเครื่องประดับให้น้าชันหนอกให้เพิ่งเอาเครื่องประดับของ เ, เอพิ่งให้าย่อมฝาดเข้อม่านุงเป็นนักบวชนะเพิ่งบวชเองเลยจากนั้นก็ไปชันหกลับไปกลับไปบอกพระปิดากลับไปบอกพระประยุรญาต์นะเราทรงผนวดแล้วพ่อว่าท่นานใดก็น้นาชันห น, นักกเย็ดจังไลยหน้นาสัง่งเลยต้องขอลบหน้าเลย พอดพอเจ้าเป็นอินสมัยนั้นแปลว่าอำนาจชิติขาดการบ่าวจาังเลยก็เป็นขํามนานรถฟังหรือบ่าฟังบ่าฟังก็ตัดข้อทีมนวดหัไปพ น, นันน่ายชันนานี่ก็ยังเป็นลูกน้องของพนแต่สิทธะพนก็บ่าวบ่าวอย่างพะพนบวชละบาดแต่ว่าถึงยังได้ความเก่งขัวความหยาดหน่ายก็ยังมีอยู่ในใจขึ้นเรานะ่ะไปครับนนหน่ายชนนาขอหอบเครื่องประดับใดเรียบร้อยเลยก็ขืนขีหลังมาก็เนี่ยสิขีบาดในเจ้าของขีเองได้ป่ะเนี่ยตะคอนขีสอนน่าย แหมบัดในขีไปมาสันตกะนี่เป็นมาแสนรูวนันอไปเออฮักเจ้าของอีต่างหากพ่อไปเลยเ อ, อ้เป็นอย่างเจ้าของบกขึ้นมานั่มเจ้าของยังไปนางอยู่พุ่นยังบกขึ้นมานฉันหน้าก็บป้ปปปยออายป้ายป้ายเลยเออพอพ่นสายตายเจ้านเลยเลาะมาก็ะอกแตกคนลงไปล่มทวนลงไปมาก็เลยตายมาขันตะกาของพกขืนได้เจ้าสีตาเลยตาย พ่อตายเห็ุจางไหนนายสนะเห็นมาตายก็อสียางก็ต้องเป็นบ่นบาดเนียางจากกุ้งหล่จะคือไปหอดกุ้งกระปิลพัดก็เป็นนายสนะพระสนะยังอย่กจิปถามบนยางสักหมื่นเางัตวละอันเพียก็สยางพอแห้งลจึงอดกุ้งกริลพัดก็ไปแจ้งข่าวข่าวขาวให้ระยุรยา่าพภิดาฟัง่งศิทธาทับทรงขนวดแล้วจานาพระสิทธาทันนี่ยจแปลกเล ค่ายๆเขาตามไม่จริงคนเท้าเนี่ยเขาเป็นลูกอย่างพวกเขาเนี่นะลูกตาสีตาชาตมีตามาพ่พอขามาบวชนี่พ่อมาบวชดเ้เทดนางโกโซ่คือถอดบานมานันไปเออคือถอดบานคือถอดเงินคือถอดพ่อคือถอดแม่คื อ, อไปมดเนี่ยพ่กข้นจะคืออดก็คืออดวนไปแต่ว่าสีทัศน์ธาดีบอด่อเลยพ้นมาบวชแล้วเพิ้นว่าเพ้นม่านางอยู่ค้นม่านางอยู่เงาไอ้ก้อนหินอยู่ฟังแม่น้าอนโนมาณณนาที่นี่ ข้อหนายชนะกลับไปแล้วพ่ะ น, นะมันปลอดโป่งในจิตในใจใคนมันโปง่งมันหลงสัมป اي ลักษณะนั้นเลยว่าเออคือการกับข้นเป็นโรคหายจากโกาครคไพ่ไข่เจี๊ยบกันสนนะ่ะคือการกับข้นเป็นหนีเป็นศีลแล่ะใส่หนีใส่ศีลมดแล้วนยกัคือกันกับข้นทีมมีโครคไพ่ไข่เจ็บเคยเจ็บป่วยมาแล้วหายจากโกาครคไพ่ไข่เจี๊ยบกันนะ่ะเป็นอิสระเออเหมือนกับคนที่ไปติดคุกติดตะล่าง บาทนี่ออกจากที่คุ้มขังแล้วออกจากคุกออกจากตะล่างแล้วออกจากทีคุ้มขังล่ะไม่บวมีผลอะไรเป็นอิดเหนือกว่าแล้วป่ะนี่ยู่ตามลําพังอิสร ะ, ะเสรีในการเป็นอยู่พันยูแบบสบาย น, ะนี่แหละทิฏฐะพันยูท่านนะนมันต่างกันกับพวกเฮาลูกลานทั้งหลายพ่อเขามาบบัวเลยคืดทอดบ่านโกโซ่คือจะมันคืดทอดไผ่เอาด้ยทั้งที่สมบัติอสู่ เล็บมา่า เ, เล็บสร้างเล็บมาของพระศิษฐะขบวัติชมบัตดถิมอยู่อันนั้นเป็นมหาสารเป็ น, เ ป, นเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างอ่าพันสละบัดถิมทั้งโลกทั้งขอบทั้งครั้วราชสมบัติทั้งหลายทั้งปวงออกมาบวชอ่าพันยู่แบบอิสระอ่าจากนั้นประกอมีความสุขบอสวยภรรยาหารดึกเจ๊กมือเลยนั่นงสวยความสุขวนไป เป็นอิสระโอ้เล่านีิเนียจะมันสร้างอิสระจึงมีความสุขปานนี้เป็นการที่พวกเกี่ยวของกระผูกระพ้นไงบ้านาพระ อ, องค์ก็อยู่ตามลําพังจนหอดมือที่แปดทนไปฮ่ามือที่แปดไปบินทบาทได้บาสนี่คือนักพจนักบวชสมัยนั้นพวกชี้ปงชี้เปือ่อยพวกญาจกวณิพกทั้งหลายนีย่เรื่องขอท่านเป็นของธรรมดาไงอันนี้เพราะพระ เ, เจ้าเปิ้ลไปบินทบาทไงเปิ้นเกาะไปในกุงราชจะคือพ่อไปบินทบาท คนทั้งหลายก็เห็นเนี่ยโอ้สัมภมามาขอเขาสมณนามาขออาหารเขาก็ใส่อาหารเข้าไปในบาทพ้นเขาโบกจักรอันนี้คือสิทธะพระเจ้าแผ่นดินของ ก, อกรองกบิลลพัดเขาบโบกจักแหลยชาวบ้านเขาบกจักเห็นยางเขามาโอ้สมณะรูปงามเดินมาบินทบาทเขาก็ใส่บารใจบาต ท, ใ, าทให้พ่อใส่เข้าไปเพ่นก็เห็นอาหารในบาทเออพ่อแล้วขนาดเพ้นก็ยางกลับมา พอกลับมาเพิ่งมาเห็นอาหารในบาดพันอีกนะเอ่จอจักแมนย่างอันยังตัวอาหารแขกได้วะาะโบจัก เ, เผือกโบจักมันโบจักกันยังมูนเอเลอย่ย์ทั้งแกงขี่เล็กทั้งแกงบอนคือมันครบรทุกแนวหนะมังใส่ในบาดพอมาเยันโอ้ตายเข้าสิสเสวยเข้าสิกินได้บ่นี่เป็นว่าได้บาดนี่แต่ก่อนเป็นไม่กินแต่สําหรับกับเขามีแต่อาหารดีๆซอนเงินซอนทองถวยเงินถว ย, ถวยทอง เอออาหารม่เตตถาดมิแต่ของเช็ดสวยงดงามเอามาทาดไายท่านเนี่ยท่านแล้วก็ทรงออกท่านแล้วก็ทรงออกท่านอาหารมื่อละลอยลถพนนะ่ะแต่บัดนี้อาหารพันยูุในบัดเอเลอยอนไปเออพนกับสอนเพิ่นเนี่ยฟังรุ พ, รพุทธเจ้าพนสอนเพิน่นเออศิท ธ, ธิ์ถาซะนะแต่ก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชนักบวชต้องขออาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพ เราจะอยู่แบบเหมือนลายชาสมัยก right. ่อนไม่ได้เราตะก่อนเราอยู่แบบลายชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราต้องอยู่แบบพระเจ้าแผ่นดินแต่บัดนี้เรามาบวชแล้วเราต้องเป็นนักบวชเราอยู่ต้องต้องอยู่แบบนักบวชการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเขาให้อะไรมาเราต้องรับอย่างนั้นเราต้องกินอย่างนั้นเขากินอย่างนี้เขาจึงให้อย่างนี้เราก็ต้องสวยอย่างนี้ พ่อท่านั้นะเพิ่งกรับหูรับตาสวยพักระยาอาหารและมือนันมือปันแหลกพ่อท่านเขาไปเลยครับ่อเป็นผิดเป็นผัยเพิ่งกอิอกอ่มอนะไปพ่ออิ่มแล้วเออจากนั้นเพิ่งกัเริ่มควนขวาศึกษาระบัดมือต่อมาไปบินทบาทอิพิชันเอกเพิ่งอยู่ตามลำพังบางที่ก็อดอาหารฝั่งที่ก็ชันอาหาร อยู่ทั้งหกปีว่ออกไปฟังฟังในหกปีมัเป็นของ ง, ง่ายๆที่ไปเจาะป็ น, นีบไปอยู่ในปา่าตะกอนอยู่ในเวียงในวัางนะจากนั้นเพิ่นว่าล่องพิษล่องถูกลอ่ล อ, งล อ, งลองถูกล้องพิษล่องพิดล่องถูกจนไปศึกษากับดาบด ท, ทั้งสองดาลารบทอุตะกะดาบดคือดาบดสองข้อนเป็นผูมีืิอเสียงในไททิ น, นั้นเป็นผูบําเพ็ญทั้งชาติสมารถีในแก้งทั้งครัออกไป สิทธะพุทธเจ้าของห้าหนี่ก็สอบไปศึกษากับดาบดดาบดเพิ่กงสอนแนวทางสอนจนจบวิชาของลือสีทั้งสององค์หนึ่งเพิ่นก็เบังหม้อแมนทางยังหม้อแมนทางอยู่มนกันมันมันลักษณะเอาหินกบเอาหินทับหยาไว้ซื่อๆมันบริคุดหวัวยาออกนะมันต้องปองขึ้นมาอีกไปทั้งสองก็คือเก่าอีกแต่ว่าทั้งสองดาบดเน่ยเพิ่นก็มอบผุกซิดให้เลยเอ้ยสิทธะผมเนี่อายุมากแล้ว บริษัทบริวารของผมตังหาร้อยผมมอบไพเนอร์ให้ท่านเป็นผู้เป็นอาจารย์เป็นขณาอาจารย์สอนลูกศิษย์ของผ ม, มเอ้ยสีดาถาอ้ ย, ب, ยรรครับยังพอท่านรับครับยังพอท่านพร้อมพอทัานรับไปถึงอุตส่าห์ดเคขือนเคินบ่หลับจากนั้นเพื่อก็าเลยบ้างบ่เมนทางออกมาตามกลับพระอาจารย์ทั้งสองนะมาอยู่ตามลําพังมาบำเพ็ญอีกฝันนบํา เ, เพ็ญเขานี่อดภักยาหารถึงสี่สิบเก่ามือออนไป แต่ที่เพื่นเห่าเห็นเนี่ยที่เห็นก็พระพุทธเจ้าเห็นแต่กระดูเพื่นบำเพ่นทุกกะกิริยาถึงสี่สิบเก่ามือบำเพ่นมาเน่ะทั้งจิตใจก็ยังคือเก่าอยู่แต่ว่าร่างกายผอมก็จริงยุตแต่ว่าใจนไะแนวความคิดเนีเออมันยังเพ่น่านป่วนเปลี่ยนวุ่นไหวอ ย, อยู่นเนี่ยไปเพื่นก็เลยลับมาฉัน อ, น, าานอาหารนะี่แหละตอนที่กลับมาฉันอาหารเน่ะปัญจวคีทั้งหาที่เป็นพร่ำทุกทีผ ล, ผลนิวัติดูแลเพื่อนนะ เออเกิดความบ่พ่อใจขืนมากว่าสิทธะอข่ายความเพียนเวียนมากเป็นคนมักมากแล้วนะว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าดอกหนีเฮาไงนี่แหนะละตอนนี้ปัญจวัคคีทั้งหากนันหนีออกจากพระพุทธเจ้าเพื่อจะยู่ตามล่าพังของเพลินวันนี่แหละช่วงนี้เป็นช่วงที่เป่าเปียวเดียวดายที่สุดของเพลินวันไปเพลินก็ว่าใดย่อท้อพอเพล่นออกมาบวชเองเพล่นบวชส่วนปัญจาวัคคีทั้งหามาบวชน้าเด้ เพิ่นไปผู้เดียวเพิ่นต้องสู้ผู้เดียวต้งคิดผู้เดียวต้องทำผู้เดียวฮะพอได้ชดเนี่ยวันเดือนหกเพ่นเขามาถึงนะนี่ยวันหนเดือนหกเพ่นนะที่วันที่ได้ตัดทะลุอันนี้พอเข้าฟังฟังในเรือบาดอันนั่นคือเล่าเลี่ยงลำดับให้ฟังก็คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะเนี่ยเพิ่นเป็นมาจังไดรเพิ่นเป็นพระมหากษัตรเออเพิ่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เพิ่นเสียสละขนาดใดนเออเพิ่นมาอยู่ในป่าหลงพงไผ่เนี่ย พจนจะมีความทุกข์ยากลาบากขนาดไหนเอ่พอพจน์ยังอยู่จังสันเทปบัดนี่บัดนี้มาบฟัางตอนที่ว่าเพจนได้ตัดสรูถ้ำบาดเนี่ยบนเดือนหกเพนเนี่ยตอนเชา่าพจนกับไปบินธบาตินั่งกับนั่งชุดชาดาไอ้จากนั้นพ่อก็ล้อยถาดท่านก็นตั้งจิตอธิษฐานเออถ้าว่าขาพรเจ้าจะได้ตัดสรูเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่ภาพเขาทำหน้าที่ได้ตัดสรูกขาขอให้ถาด ทดลองอาหารเนี่ยทวนกระแสน้ำพ่อปล่อยถาดลงไปถาดไบหน้าก็วิ่งจันขึ้นทังเหนือน้ำมัไปตามปกติมันน้าไหลตามน้ำเ ห, นำห็นไหมน้าไหลไปัางก็ไปทางนั้นแต่ถาดไปทํามมัไหลขึ้นเหนือน้า เ, เออพ่นก็เอออาจจะเป็นมั่นใจจากนั้นพ่อพอนก็นจัดที่พักผ้าอาศัยตอนกลางวันพ่อตกใกล้คําพระ อ, อาทิตย์ยังไม่อจ ด, ดงะคือพระ อ, อาทิตย์ยังไม่ตกดินนนันไปนายโสธิย หาปยาฆ่าอายะอายะอายะมาพานมาเนาะไปเมา่าเห็นชิต ธ, ธาอยู่ตามลำพังพนก็เลยมอบยาฆ่าแปดกัมือให้หมอบพีงแค่ชิตธอชิตธาพ่อพ่อที่ซัดเนี่ยก็ได้ยาฆ่ามากแปดกับมือก็มากเกียร์ลงพ้นตนพ่เหงาพ่อเนาะไปตนพ่อพุทธกญานเนี่ยตนพ่อห้องของหูอยู่ต้มแต่ว่าพ่เขาพ่อแกพกอ่อไงหากมันก็ร่อย ขึนในดินมันตะปุ่มตะปำหากเล็กหากหน่อยเขามัน่นนางบรสะดวกบรสุทธิ์สบายน่ยโสธิยัเห็นกว่านางบรสบายมั่งชิตตะโพธิสัตว์เนี่ยเกิดชัดท่าเขามั่าแล้วอย่ากฆ่ามากเพราะโพธิสัตว์พุทธเจ้าเข้าในอยากฆ่ามากเลยเกลียข้าคาทั้ทงทิศตวันออกของตนโพ่อทั้งทิศตะวันออกของตนโพ่อจะนั่นพ่อเคลียเจ็ดเรียบร้อยแล้ว พระพระเดชเจ้าสิทธาของข้าวนะี่ก็ขืนไปนั่งไงพระอาทิตย์ยังพานตกติน่นเลยพ่อขืนไปนั่งหันหนาหันประผักหรือหันหนาไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าแล้วกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเบิงร่มหายใจเข้าออกหายใจเข้ารั้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วาหายใจออก มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าและออกเออคือบัวทรงจิตไปในอดีตบัวทรงจิตใจไปในอนาคตหายใจอยู่ในล้มหายใจปลายจมูกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีสติบัวทรงไปจิตบัจงไปทรงมานอ่าจิตใจของพระองค์ก็ร่วมสงบลงเป็นหนึ่งแต่ว่าตามไม่จริงในพระไตรปิฎกพ้นกว่าพญามานมารบกวนเพลินนั่งตันหาราคาอารดี พระยาม่านเขามารบกวนเศนาม่านเขามานลบวนแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อวันคือเป็นเพ้นพูดเป็นปุคขราชิฐานปุคขราชทิฐานคือยกเป็นตัวตนขึ้นมาตามไม่จริงเป็นถ้ำให้ค่ายว่าพ้นที่นั่งสมาธิน่ะนะถ้ำมดาหวกเข่าเลยนะบอกว่าผู้ได้แหละมีบัานมีเฮือนมีพอมีแม่มีวป่งสาคณาญาติมีสามีภรรยามีลูกมีเต่ามีบริษัทบริวาร ข้านางเกิดมา ก, ก็ต้องคิดถึงพอ่อถึงแม่ถึงลูกถึงเมียอันนี้แหละมันเขามากครบรบกวนทางด้านจิตใจของเพลนโดยเฉพาะยังยิงเรื่องกามักกิเลสเนี่ยเขามามาลุ่มมาตุ่มเพลนช่วงนั้นวะนปุปะนี่แหละเพลนก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างแนวแน่วะนปเฮาข้าพเจ้าจะบวกลงบวกลับขึ้นโดยเด็ดขาดเฮาข้าพเจ้าตายเป็นตายถ้ า, าว่านางออกจากหมูนิบว่าได้สาเร็จจะว่ลูกเด็ดขาด เออพนังภาวนาเอาเด็ดขาดป่ะ น, น, น่ะนะพญาม่านทั้งหลายทั้งปวงที่สูร่ายจังไดแม่นบ่ละเอาเด็ดขาดแลยเด้โดยตังษษษษษษษ้งจิตอธิษฐานพนันพ่อแม่คู่บายอาจารย์เท่าจังว่าสิเฮ็ดอยังให้จริงจังนะให้จริงจังให้เด็ดขาดนะพนวะนี่แหละนี่แหล ะ, นละพนกนังภาวนาตอนหัวคํำพนกได้สําเร็จปุกเพเนวาสานุสติยาน ล, ลึกชาติทุนหลังใด น, นี่แหละอันหนึ่งคือตายแล้วบ่ศูนย์นะบาทเนี่ยตายเราเกิดอีกเนาะ พอถึงเทียงขึ้นนั่งพ่อวนาตุตูปะ ป, ะปะตาตยานการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดนี่ออกจากนี่ที่ไปใสนี่ยพระพุทธเจ้าพันก็หู้อีกคนะพนั้นขอให้พวกเขานะศึกษาจุดนี่เป็นจุดที่ละเอียดอ่อนมากนะคันว่าพวกเขายากฆูเจ้าว่าตายแล้วเกิดเลตยลตายแล้วศูญย์ให้นั่งภ่อวนาขะนั่งพ่อวนาจิตสงบร่วมลงเป็นหนึ่งแล้วเข้าพวกเข้าสิหู้เองเลยว่าร่างกายในตายแน่นอน ร่างกายนี่เหมือนกระโดแต่จิตใจคือน้ำมันถ้ำตัวผู้ลู่ตัวหนึ่งตัวนี้คิด่คือกันกับโซเฟอร์รดโซเฟอร์รดกับรดเนี่ยโมเมนอันหนึ่งอันเดียวเป็นคนละอ่านกันรถสิไปได้ก็ต้องอาศัยโซเฟอร์คั่น้ำมโซเฟอร์เ่ามีรถโซเฟอร์มันก็มดสภาพขึ้นกันยางย่ำตอกขึ้นกันแต่ว่าไปได้แต่รถนี่ยมันต้องตายอยู่ในโพงหยาวนเไปเป็นเศษเล็กเอาไปเขาใส่ายปีได้ ร่างกายเอากันเอาใส่ลายปีกกับเขาเป็นเศษเล็กขึ้นกันนะพราะนั้นพระพุทธเจ้าพนนางพรวนาพันรูแจงเห็นจริงจังซีแล้วนะที่ว่าพนได้ตัดฉลูในวันเดือนหกเพนจวนสว่างพนได้ตัดรลูที่ว่าอาสาวกขยะยานยานอย่างรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วจบแล้วชาตินี้เป็นจบแล้วจิตของเราเป็นอัปอมตะธาตุเป็นอมตะธรรม เป็นธรรมอันบริสุทธิ์แล้วนิพพานังปร r a ังสุขขังนิพพานังปร r a ังศุนยังอนิพพานังปร r a ังศุนยังนิพพานังปร r a ังสุขขังฮนี่แหละอันนี้คือจิตของเพลินบริสุทธิ์แล้วศูนย์คือศูนย์อย่างศูนเชื่อเชื่อที่จะพาให้เกิดศูนย์แล้วกิเลสราคะโทษสาโมหสกัดออกจากพระไถยของพระองค์แล้วสิ่งที่พาให้เกิดศุนวันไปเมื่อ ศูนย์เชื่อเหล่าก็มิตะความสุขบ้านบอมมอีอยังจะมานลบกวพพนพระไถ่ใจของเพลนใจของเพลนบลริสุทธิ์พุทธพองใจของเพิลนเป็นอมตะถาดเป็นอตมตะธถ้ำนี่แหละขอให้พวกเขา้าทุกรานทุกคนเนะ่าบําเพ็ญตามแนวแถวที่พระโพธเจ้าเพลนแนะนำเพลนสอนเอาไว้พวกเข้าจะประสบแต่ความสุขความจเจริญการมาพวกเขา้าให้เชื่อไหวเชื่อพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเข้าไว้ ตายแล้วบอดศูนยนะตายแล้วเกิดอีกพวกนั้นพวกเข้าทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้อย่างเมื่อนี่แหละเมื่อนี้พวกเข้ามาสังสมบุญกุศลได้เมื่อนี่แมาสังสมบุญกุศลเข้าสู้จิตเขาสู้ใจแต่ aden, เข okay. ้าอยู่ในบาตรในเงื่อนเขาก็ทํามากค้าขายทําให้ทํานาทําหัวทําสวนทํามากค้าขายอันันเขาหาปัจจัยหาเงินเพื่อเลี้ยงร่างกายของเข้าขันเขาว่าไม่ีเงินเขาก็บว่ามีเข่าสียูสิกิน ที่บ้านพักผ้าอาศัยยาแก่โรคไผ่ไข่เจ็๊ยบผานูโมเข้าก็ต้องหาแต่จะไปหาแต่สิ่งนั่นอย่างเดียวโดยที่าะหาศีลหาธรรมกระบอถูกเลยต้องหาทั้งสองอย่างหาศีลหาถรำพร้อมเออหาทรัพย์สมบัติพร้อมหาศีลหาถ้ำเลยหาจยงใดก็หาจยงสี่และไปกะไปไหว้คู่บ่าจานฟังเถิดฟังถ้ำให้ท่านรักษาศีลภาวนาคือหาถรมเขาสู้จิตเขาสู้ใจเข้ากินว่าตายแล้วบอศูนนีตายแล้วเกิดอีก คนที่ทำคนงามความดีคุณงามความดีนะจะเข้ามาสู้จิตสู้ใจของพวกเฮาบุญกุศลมันจะเข้ามาสู้จิตสู้ใจของพวกเฮาเอ่อผลอย่างว่าปุญญาณิปัโลกัมิงปฏิฐาโหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหนาฮะพระพุทธเจ้าพลว่าจังสันนะขอให้นั่นขอให้พวกเฮาทัตไทยญาติโนมทุกๆคนนะเมเนรลงพ่อเล่าพุทธประวัติให้แก่พวกเฮาได้ฟังเพื่อเป็นแนวทาง ออกออกสุญญาโนมบางขูบางข้งนก็คงจะบุกเคยได้ยินพุทธประวัติบางขูบางคนก็อาจจะได้ยินถึงจะได้ยินก็เถอะได้ยินจากหลวงพ่ออินเนี่ย <c oughs> บางคนก็เข้าใจดีเลยยังโยมมาจากเชี่ยวไม้มือว่านสองตายย่าปริญยาเอกทั้งขู่จบมาจากจุฬา้จบมาจากไอไสถาปัตวนไปสถาปัตจุฬาทั้งปู่เมีย เขามหาลุงตายี่สิบกว่าปีฟังเทศลุงตาเขาใจมัดแต่ย่มพู้ทายบอกเขาใจผู้เมียอธิบายฟังยังได้บอเข้าใจเออผู้เมียปวดหม้อเออฟังเทศลุงตาบอกเขาใจลวงปาตายใช่ไหมปวดหม้อเนี้ยจะฟังยมบอกเขาใจเออแต่มืฟังเทศลงพ่ออินบอลฟังเทศลุงพ่อเข้าใจว่าก็แปลขึ้นกันหนเมื่อบอกตอนหนาลุงพ่อเนอะาะวฟังเทศลงพ่อเลยเข้าใจ พอลงพอในงานของลงตาผมยังไปขอไปขออพสมจากสถานีวิทยุเห็นเขาเย็บไผผมเห็นไปให้ย็บไผปยยบ่ปัดป่แม่นเสียงลงูพยินนี่มันเสียงองค์ใดก็พอหูเห็นบ่แม่นเสียงลงูพ อ, อินอี ก, ก็นไมเออมาว่ามาว่าลงพอก็เลยให้ไปกระเป๋านึงขึ้นกันเออเอาไปฟั ง, บงเบืองหน้าว่ะอ่าเนี่ยบางคนกันทํามเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พนก็บอกดีกันพูดปุได้ฟังปุได้ศึกษานะเข้าใจ เข้าใจและลึกซึ้งมากเลยทำประเทศนาขององค์หลวงตาแต่บางคนเนี่ยจังได้ก็บอกเข้าใจเพอพลบแล้วกายกายกายเป็นโรดเอยพลบแบบผู้ใหญ่ฟั่งมันลง ไ, ไปคันผู้ใดเขามาศึกษาใหม่เนี่ยถึงใจเฮียนรู้มาทั้งโลกกระามแต่ว่าขั้นบดชศึกษาลักต้นมันให้ดีเนี่ยบวชศึกษาทำมอวิภาคบวชศึกษาลักธรรมอ่ะสติปัฏฐานสีนวาจังได้อริยสัตสีวาจังได สารักว่าอย่างไรอสุภาว่าจยงไรปฏิคูลว่าอย่างไรมันหมู่จักเลยมันแปรบอกข้าว่าข้ามเหนื่อไปเฟังจะได้เมื่อกลายไกลไปก็ทรงใสไปเรื่อยผลทั้ชัก็เลยบอกเข้าใจก็เลยบอกอยากฟังฮะแต่หลวงพอบริวารท่านกรรมฐานห้าคือยังเกษาผมโลมาขนนาคาเล็บท่านตาฟันตาโจหนังหลวงพ่อจิาวิทยาั่านไดฟังเลยวันอสุภะคือยังสิ่งปฏิกูลอสุภสษาในคือยังสิ่งที่สวยงาม หลวงพ่อจะที่บายกังสันในฟัง่งพ้านั้นผู้ฟังก็เลยเออเข้าใจหลวงพ่ออินเมาเข้าใจง่ายเขาจะวางสันว่าป้นั้นเมื่อนี่หลวงพ่อก็เลยบอยังให้ออกตัวหยาดโน้มฟังนะลูกหลานฟัง่งการพูดการเมื่อนี่พวกเข้าในน่านในมากพบมาเจอกันก็นเห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติในการเมาการว่าเอาต่อไปรับพรเนี่ยมาเนี่